ข้นี่มีอนมันเป็นเรื่องของโลกมันเลยขีดกันไว้แม้เขาถึงชานแม้เขาถึงมักรได้เข้นึงเรียกว่านี่บอนมีหาจากกาไม่ฉันทะพร้อมห้อยใจเงินดีติดใจเพื่อเพลิน สนุกสนานมวลสื่ออยู่กับกาบนี่มันยังเป็นเหตุกีดกันใหเขาทิอชาและเขาถือมัดแถ้ที่จริงมันเป็นชื่อต่างหากแบบไอ้ที่ว่านิวนรณวณ์กันแท้ที่จริงมันในตัวของเราทุกคนมีทั้งนั้น เ่อกามาฉันทะมิโวพยาบาทจองอาฆาตจองล้างจองฆ่าซึ่งกันและกันคั้เมื่อมีกาไม่ฉันแล้วผู้ใดที่มีพูดทัดทเรื่องการสติบัติจองพูดทัเรื่องพยาบาทในที่อื่นพนยาบาลในตัวเอง ทำให้เสื่อมเสียเศรทฐกิจคนทำให้เสื่อมเสียกำลังงอแงเรียวแรงเนื้อเดืเดือดตนทำให้เสื่อมเสียเกิดคุณคนอื่นคืออยากจะให้ได้ตามความสาธารณะของตนความสุขของตนเพื่งตนเขาจะว่าสุข อันนั้นเรืบเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนเลยจตั้งสิบใจเบียเดเบียนแล้วมีการมาชันนั่นคือเบียดเบียนคนอื่นกามมันต้องส่งออกนอกเท่งออกนอกถ้ามีกามเกิดขึ้นแล้วมันก็ส่งออกไปทิมนิพพานสองทรงเขาเข้านอนเลย ง่วงอะไรหรอกความซึมเซาในเหตุนั้นคิดซึมคิดเตดอร์ในเรื่องนั้นมันเรียกว่าทินนิทัศธปุถะจาร์กิจจาก์เ่งชาตเต้นที่จนคงคิดมาอยู่นีสคือชาลังเลยสงสัย ว่อย่างไรนอกชีวิตร่างกายของเราเป็นไหรือไหมเคือนไปนอสงปราถนารือไหมสมปราถนาอิตโตติจารถอยหน้าถอยหลังอันเนรเรียนว่า น, นิวรหานจะนิวรหานั้นอุปเทาก็ไม่ได้ติท้ายเรียว ยังไงไงเราก็รู้เรื่องรู้ไว้รักในหวานสาจิตสงบแบบที่เข้าถึงฌานสมาธิพักพอนด้วยความสุขบายกล้าจะจากอานิธอาณาเรียกว่าเข้าพักพ่อนจิต อยูในโลกอันนี้ไม่มีการพักผ่อนแค่เลยเดือดร้อนนุ่นวาดเป็นทุกข์ใจแต่เมื่อเข้าถึงสมาธิละเมยวร์แล้วเข้าถึงสมาธิเข้าถึงฌานกระตานเถิดเข้าถึงวัฏฏิกระตานเถิดเมื่อพักผ่อนเมื่อได้ความสุข ในชีวิตที่อยู่ในโลกอ น, นี้เรียกว่ากาลมาโลกคือมันเพลินลอยอยู่หออยู่ในโลก น, นี้เงินดีมวเมาในนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วเกิดกเกิดในกาลมาโลกเรียกว่าอยู่ในกาลมาภูมิัวอวายวะเราทั้งมด เป็นบอกเกิดแห่งการมศิเริจึงเป็นเหตุเศร้าหมองจิตใจพุ่งซ้ำอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้จงเมื่อขามาโปะขาร้อยคออยู่ตรงเนียยในสาวจิพกิชาตดเหตุการณ์เมื่อเรา ละกาเมาจันทะเป็นต้นเลวโยนหา่างเข้าไปสงบเป็นฌานกะดีเป็นธสมาธิกด็ดีพักผ่อนชั่วคู่หนึ่งขนาะหนึ่งกระตางไม่ว่าได้รับความสุขความบายดีกว่ามีอายุญญ ต, ตั้งเเกวี่สิบปียี่สิบสามสิบปีอะไรต่าง มันจะเกิดถึงวันตายมีการพักพ่อนเลยแทงต้นเนลกรักษายใจของตนในใจตัวของตนไม่เป็นตนของตัวอุ่นวายู่ตลอดคาเมราทุกเชินทุกส่วนตัวของเราทางหูจหมูกนี้นกาย เป็นภัยอันตรายแกสมาธิเป็นภัยอันตรายแ ก, ก จ, จิตใจที่เห็นน่ามีความสุขสบายเพราะเหตุเพื่อไม่เข้าใจตามเป็นจริงหุ่งหลงตาเป็นจริงมีตากระสายทรงสายไปดูลูกวัตถุภายนอก รับผัดรับถุทั้งหลวงเมื่อลูกผูกลูกคนไม่ว่านไม้พวกเขาไม่ว่าสิ่งสัดสวยงดงามอะไรก็ตามที่เห็นเดตตาเป็นลูกเห็นเดตตาแล้วนำมาผลตื่นนำมาบำรุงบำเลอนำมาให้ ใจนี้เนี่ยให้ส่งไปตามม่ให้ที่คงที่เนี่ยินดีในกลามคุณหะมีหูไม่ย้ืนเสียงอะไรต่างเสียงพระอะไรพระเสียงพระสมบูรณ์บำรุงบําเลอเสียงไพระก็มาเดือดร้อนหุ่นวาย ไม่อยากได้ยินมันก็หากได้ยินแี่นั้นเมื่อฟังก็ได้ยินเกิดถ้้เกิดลำคาญมันเกิดสุนหวายมีหูชั่วเป็นภัยแก่จิตใจมีจมูกถูกกลิ่นเน้นกลิ่นหอมถ้าพัดทุกอย่างจมูกปิดไม่ได้ ปิดก็ไม่มีลมให้ไใจตั้งแต่ตายขนานที่ตาและหูยังพอปิดไปบ้างส่วจมูกปิดไม่ได้เลยนักเขาขเขาก็เรื่องจมูกสูบออกสุบเข้าอยู่อย่างนั้นทั้งนินและหอมหอยใจและหอยใจแล้วชบก็จ่ายเว้นวายกับ ก, กนเท่างหร่เท่านั้น เป็นภัยอันตรายแกจิตใจอย่างยิ่งลี่นจิ้มบางข้างบางข่าวเมือ่อเรารับอาหารรับทานอาหารในรสชาติแต่ละต่างจึงข้าวกลากพเพลี้ยหวานเปรี้ยวล้วนนี้ถือนกควรมาให้จิตใจอยู่นิ่งหนึ่ สัมผัสทางกายเวียนร้อนอ่อนแฉ่อันแล้วพัดทุกอย่างถูกอยู่ทุกเมือ่อแต่หากว่าถูกก็เหมือนเขาไม่ถูกเพราะไม่ค่อยจะรู้สึกตัวไม่ค่อยจะใส่ใส่ยังมีเวลาเว้นว่างบ้างอาว่าวะทั้งหลายเล้านี้เป็นบ่อกเกิดของ จะาไม่หนีจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐานี้ไม่หนีจากกลามคุณหา่าไม่นีไม่หนีจากนิวนห่ากล้ามคุณห่าจะไั่นีจากนิวรหากล้ า, า, ก า, กามคุณนั่นแหละเป็นตัวนิวรถ้พระพุทธเจ้าท่านก็ชม ผู้ที่อยู่ในกามวิเศษกระชมใไม่สติทั้งหมดยินดีกับลูปถ้าหากว่าคนไม่มีความพอใจยินดีกับลูปก็ไม่ทำบุญสุนทานไม่สร้างกุศลเพราะอยากได้ลูก ส, สวยก็าะจะได้ลูก ง, งานตัวของเราไป็นตัว ง, งามๆ ให้สวยสงบงานเป็นที่น่าจ เ, เ, นเจริญเพลินใจนั่นนหะเป็นเหตุล่อให้สร้างเดนสร้างพิชินอยากฟังเสียงเพราะเพราะก็ทำบนเส้นฐานกาธนาเสียงเพราะเพราะให้ฐานเสียงความล้ำพรับเพลงเนยต่างๆ ดีเพื่อทราบเพื่อสังหารเรื่องต่างเป็นเครื่องบำรงองโล่เพื่อจะได้เสียงชนนั้นในอนาคตข้างหนา้าจึงต้องบารงนัง้นนั้นทำมาดันทำบ น, นนั้นกลึ่นก็อยากได้ของหอมในชาสุกธรรมผสมก็อยากได้กลิ่นอหอมนั้น บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการอันนั้นกลิ่นอหอมหอนั้นรสก็ต้องการรสอร่อยอยากจะให้รสอร่อยอร่อยทำเป็นเหมือนทางขาอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแค่นี้สมงตอบแทนนั้นโสดพระสัมภาษณ์เกิดกลนองมืดหนอฉั น, นันเหมือนกัน นี่ที่จะทำบนญื้นฐานทีื่อสร้างกองการกุศลให้หลายที่ว่ามาดันกอบเพลชิตาธนาก็ถือเจ็เจ้าทั้งกมชนเชอคนทำบนเช่นนั้นดีกว่าทำบาปทำบาปให้เป็นประโยชน์แ่ต่อนในคนอื่น ถ้าเป็นจะโยชน์แกนเกินเบียดเบียนตนทาเป็นชั่วให้แล้วจะได้รับคนชั่วนั้นตอบแทนเีงเดียวกับบุนแล้วก็บีดเบียนคนอื่ น, ด ย, ด, นยดยทำคนอื่นให้เสียด้วยทำคนอื่นให้เสียหาท่านชมเชยสเสิญนต้นพ สวยลกงามกิ่นหอมเลือักกาดเล่นกันนี่หนามถ้าเงินชมเฉยถ้านเ น, นื้อเซนมีคอบครัยหรือบ้านเรือนสร้างคารวาะก็ขอบด้วยคุณงามความดีรองรองสามขีดเป็นนั้นหนึ่งเสเดียวนี่ให้อิสระเรีภาพแก่กันและกัน นั้นตอนนี้เป็นต้นท่านก็นชมเชยสนสับสนุนท่านนั้นสอนอีกสักอยู่ของคาว่ามีบทพจนยาสามีต้องสองสองสามคีดซึ่งกันและกันไม่รับความสุขเพราะโลกอันนี้มันเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เหตนนั้นตราทาาวจร่วมเบียดเบียนซึ่งมีเมตตาใจนี้สงองสองสามชาีวซึ่งกันะกันนันเป็นเหตุนำมาสึ่งควาสุขชั่วขณะที่อยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้นะมันมีที่ไหนจะไม่ทะเลาะ ก, กัน ล, กนลักแสนลักมองเห็นแสนแสน้องเห็น มันจะต้องมีทะเลาะกันอยู่ล้ำไปนี่ต้องมีวิวาดทุ่งเถียงอยู่ล้ำไปเพราะใจนั้นมันไม่เป็นสุขใจนั้นมันมีคลีอยู่ใจนะเมื่อมีคดีก็ต่างค้นต่างมีเดีก็หามหันเข้าใส่กันเันทีคนขะเลาเกิดมาจากอันนี้ โดยชาติเกศนั้นวมความแล้วว่าการไม่เกตตัวเดีย ว, วยนะั้นเป็นเหตุให้ลอยวะอยนกงคดีแต่ น, นั้นเพื่ได้ใจว่าเมื่อมีครั้มีอยู่ในภาวะจึงต้องอดย่อมทนสู้ด้วยความเพียรพยายามอดทดเมื่อออดทนได้ ไม่มีการทะเลาะเบกแรงแล้วไม่มีการเบียดเบียนทช่งกันในการไม่ว่าทุ่นเสียงเช่งกันในกั น, ท, น, น, ก น, น, กนท่านชมว่ามีควาสุขเรื่องธรรมทั้งหลายมีทั้งหยาบและละเอียดอันเดียวเนะี่ยยาบอันเดียวเนะี่ยละเอียดกันเดียวเนนะ่ยคือกาเมาคุณห้านั่แหละหยากก็ดี ใหอยากจะคือการมาคุณห้าเนี่ยเนี่ยดเย็นจากมีวนห้าเนี่ยเนี่ยสักไม่กาวมืคุณห้าเนี่ากจะมีวรห้าคล้องเราใหออยากจะคือละมีวนห้าจะถึงมักถึงผลถึงฌานเสมาที่เราบาันกระตรงนั้นแท่ที่จริงแล้ว พูดถึงเรื่องฌานมีวัญหาเป็นเรื่องขีดกันของฌานพูดถึงเรื่องสมาธิไม่มีการขีดกันอุบาสกอุบาสิกาสมาให้ก่อนเป็นคราวาสก็ได้มากแด้คนถ้าไม่ได้หา่าง โอดาปิทาคานาคาอยู่มีครอบครวอยทั้งนั้นผู้บวชในปริศาสนาช้าอีกไม่ทำให้ถึงมักไม่ทำให้ถึงผนแต่ถ้ายังเป็นอย่างนั้นเพราะสมาธิเรียกว่าต่อสูงชาญเรียกว่าหลก ขอไปพักผ่อนลบไม่ได้ที่ไม่ต่อสูงจะลบไม่ได้พี่สมบนิ่งเขาไปดูห น, นึ่งมันสลบไม่ได้เพราะใายเพราะมีวอนหากกวนส่วนสมาธิไหนมันเป็นอย่างน้นะจาตงต่อสู้ปากมันทุกด้านทุกทาง ันก็ทั่งติดายหมดใจหมดแตกหักลงหมดจนไม่มีอะไรเหลือหรอก็เข้าสมาี่ได้จริงมันแตกกันตรงนั้นเพราะฉะ น, นั้นถ้าจะเป็นเออมีจากโลกไปจะต้องต่อสู่โรค นี้จะโลกมันต่อสู้ถ้าต่อสู้ไม่ได้ก็ยอมแพ้เราคงจะอยู่ในโลก น, นี้แง่งนี้ใช่ไหมล่ะฌานกับสมาธิมันแตกกันตรงนี้เอาละฌานนี่สมาธิก็ไม่ต้องเราไม่ต้องพูดเพื่อนพูดทพื่อสิ่งใดที่มันมาคัด ต้องถากถางจะต้องฟาดฟันถ้านีงเรียกว่านิวรณ์นี่ง็ีดกันท่นต้องถากถางต้องขีดกันนิวรณ์นี้ไม่ลบลมทับทางขวางทางเอาเว้นไปทั้งอื่นเสียมันก็ขวางนันล้ำไปแค่มาเราต้องเว้นขวาง อย่เงน้นลำแข็งเราถางเสียนราฟันออกเสียรื้อออกเสียให้มันเตียนเสียแล้วก็เดินในค้องส่วนสัญญาคือสมาธินี้ก็ต้องฉันนั้นเหมือนกัน เอาละอาทิตย์ตายได้หมดท่าสมาธิแปลว่าทาความสงบสงบนม่มีสองอย่างเรื่องสงบนิ่ ง, นงแน้วเข้าไปโดยใช้สมบริกรรมกำหนดให้อยู่กับคำบริกรรม จะพุทโธพุทโธแล้วอนาคาาสติต่างให้อยู่ในที่นั้นจิตใจแน่วแน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวในพุทโธนั่นแหะหรือในอนาคาาสตินั้นแน่วแน่อยู่ในนั้นเดียวจิตก็จะรัวบูอ้าเข้าไป จนหายจากพุโทโธหร้อหายจากนาปาสติเงียบไปบางทีอาจจะไม่รู้ตัวบางทีก็รู้ตัวอยู่มันเงียบมันว่ามันสงบเย็นพอใจเยนดีกับความสุขอันนั้น อันนั้นอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าฌานอีกอย่างหนึ่งตั้งสติกำหนดจิต ค, ค, จคิดฝุ่นนี่ะจะภาวนาพุทโธหรือวาอนาปะสติก็ะดับในภาวนาพุโทโธอนาปาสติตั้งจิตตั้งสติกำหนดจิต เห็นอาการของจิตมันคิดนึกสงสัยในในในฐานใดก็รู้จนกระทั่งรู้เท่ารู้ตั ว, ตวทุกขนาดรู้ก่อนมันเกิดไม่ใช่รู้แต่มั น, มนเกิดอะไรไม่รู้รู้ไม่ใช่จิตอารมณ์อะไรมันจะไปผูกพัพ น, นอารมณ์อะไร คนเรามันมีอารมณ์ร้อยแปดสัมประกาศคิดจะม่นิ่งหรอรพัดัแต่มันจะเกิดเกิดในที่นั่นน่ะนิดห น, น่อยๆมันเกิดสมอที่นั่นรู้เท่ารู้เรื่องอยู่อย่างนี้บางทีคิดคดเหตุนั้นเกิดเชื่อมานั้น คิดคนไปจนสุดสายมันคิดอย่างลามันส่งไปในเสียงไม่ต้องเมพุโธไม่ต้องภาวนาพุโทโธก็ได้แม้นาปาลตีไม่ต้องพาะนาก็ได้เสียงมันเกิดจากอะไรมันมีประโยชน์อะไร้วมันเป็นภัยเป็นโทษยังไง มันให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างมันเสียงนะจะนาจกนกระทั่งเห็นเสียงนั้นถามเป็นจริงคือว่ามันเกิดจากวัธถุใดแค่ธาตุทั้งสี่จริงเลยจริงหนึ่งรือพร้อมทั้งสี่อย่างเกิดขึ้นมา เป็นเสียงเราไปยึดเอาเสียงมานะไม่เป็นอารอมณ์ันเลเป็นอารมณ์ของเราวิจารณ์จนกระทั่ ง, ง, งมันถอนจากนล้วใช่ไมันไปยึดไม่ไปยึดผู้ไปยึดกไ็ไม่เป็นของจริ ง, รงเสียงก็ไม่เป็นของจริงเป็นสัตว์เสียงผู้ไปยึดก็สัตว์จิ ก็นปล่อยวางมัไปได้มันเรียกว่าสมาธิมันมีปัญญาคป็นพร้อมกันครัตอย่างนี้เรียกว่าครับสมาธิครับสมาธินีนกันถ้าหากว่าจิตใจมันเนี้ยเนี้ยเกิดผลลูกขึ้นมา ทั้งสองอย่างนี้ให้เป็นไปด้วยกันมันหากเป็นเองมันจะรวมว่าเป็นชาไม่กับเป็นเองมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิอดอุบายสัญญาอะไรต่างๆตาเห็นเสียงจามมันหากเป็นของมันเองขอแต่ว่าเราผูดพิจารณาเราพูดทำอย่าท้อทอ้อ ทำไบมันก็เกิอดออกแต่หากจะรู้โดยตนเองว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นจากอะไรต่ออะไรหากรู้โดยตนเองชานก็มีประโยชน์มันออกจากชามาแล้วมันว่างเปล่าแล้วว่างเปล่าความพุทธสุดของใจมันใส่ราด้วยสุดมันกเหมือนกัะ น, น้ำํำ น้ำถ้ามันใสๆถ้าไม่นิ่งมันก็ไม่มีเงาน้ำใสแล้วนนิ่งมันจึงไม่ค่อยมีเงาถ้ามันก็เคลื่อนอยู่แต่ไม่เกิดเงาชานกับฉนั้นเหมือนกันเกิดเงาคือสัญญาสรองเห็นสารพัดทุกอย่างเมื่ออกจากสมาธิไอเมื่อออกจากฌานแล้ว เราที่นี่เห็นไปด้วย